เฉลิญพรถูกทูกท่านเรายัางเดินกันอยู่นะเข้ามาหาที่นั่งเมื่อเดินก่อนใครมาฟังเทศบ้างเมื่อเดินก่อน ย, อย่มเมื่อซืลงได้เดินนี้พัฒนาขึ้นบ้างไหม ความจริงหนึ่งเดือนนดูพัฒนาการยากพัฒนาการเนี่ยเราจะดูแบบสภาัะดูรายไตรมาสอย่างช่วงสามเดือนเนี่ยถ้าเราภาวนาสม่าเสมอเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองแต่เดือนหนึ่งหรือว่าสัปดาห์หนึ่งอะไรเงี้ยดูยาก เพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยเจริญแล้วเสื่อมมันไม่จเจริญอย่างเดียวตลอดเวลาหรอกงั้นอย่างเราไปดูเดียเเด๋ยวจเจริญเดี๋ยวเสื่อมเดี๋ยวเจริญเดี๋ยวเสื่อมเนี่ยเราจะเห็นอย่อางนี้ตลอดเวลาเราจะรู้สึกว่าพูดตั้งนานเราไม่เห็นพัฒนาเลยแต่ถ้าเราผ่านไปช่วงหนึ่งนะสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งะอะไรเงี้ยเราจะพบว่าสามเดือนนี้กับสามเดือนก่อนเนี่ย คุณภาพจิตใจเราไม่เหมือนกันจิตใจเราถ้าเราภาวนานะจิตใจมันจะสว่างสวปลอดโปร่งร่มเบาสบายถ้าไม่ได้ภาวนาจิตใจเราสูบปลกมอมแแมมไปผลเปื่อนตลอดเวลาการปฏิบัติเป็นของที่มีคุณวีประโยชนนะ์อย่างยิ่งเลยหลวงพ่อ ก่อนจะมาบวชเนี่ยเป็นฆราวาสแบบพวกเราเงี้ยที่จริงพระทุองก่อนจะบวชเป็นฆราวาสเท่านั้นแหละแต่หลวงพ่อจะบอกว่าหลวงพ่อเป็นฆราวาสนานมาบวชในอายุทั้งสี่ิบแปดแล้วมีภ า, าระทางโลกคืต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่นี่อแม่ตายฮะชวนพ่อมาอยู่วัดเราจะได้บวชสถีกว่าจะได้บวชอายุสี่สิบแป ในถ่าหลวงพ่อประเภทต้องรอให้บวชก่อนแล้วถึงภาวนานะก็คงมีเวลาภาวนาไม่มากของพ่อภาวนามาตั้งจะเป็นโยมภาวนาไ ม, ไม่ไม่หยุดเลยนะตั้งแต่เจ็ดขวบเนี่ยแต่ตั้งแต่เจ็ดขวบจนถึงอายุยี่สิบเก้านี่ย2ี่สิบสองปีเนี่ยทำแต่เรื่องสมาธิทำสมถะกรรมฐา น, นใช้อนาปนานสติ ขึ้นมีปรั ส, สนาให้เป็นมาเจอหลวงปุ ด, ดุลเมื่อปีสองห้าหกกุมภาสองพันย25้าขึ้นไปกราบท่านครั้งแรกก่อนจะไปกราบท่านเนี่ยได้อ่านเจอธรรมะของท่านเรื่องอริยสัจแห่งจิตของจิตส่งออกนอกเป็นสมุทยัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแช่มแช่ง เ, เ, เป็นมรรคผลที่จิตแห็นจิตอย่างแช่มแช่ง เ, เ, เป็นนิโรธ บอกธรรมชาติของจิตในธรรมดาของจิตย่ยอมส่งออกนอกแต่ถ้าส่งออกนอกแล้วไม่มีสติมันก็เพิ่มบั่นไวรตามอารมณ์ก็เป็นตัวสมูทไทยถ้าส่งออกนอกแล้วมีสติอยู่ไม่ก็เพิ่มบั่นไบรตามอารมณ์นะก็เป็นการเจริญมรรคแ้วท่านสรุปตอนท้ายเลยบอกว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอก มีจิตไม่ก็เพิ่มบันไหวมีสติสมบูรณ์เป็นวิหารธรรมอยู่คำว่าพระรยาเจ้าของท่านหมายถึงพระอรหันต์นะไม่ใช่โสดาสกทาคาโสดาสกทาคานาคานีจิตยังออกนอกอยังเคลื่อนได้อยู่จิตยังมีขอบเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมาแต่ภาวนาจนถึงที่สุดแล้วเนียจิตมันเต็มโลกธาตุเต็มจักรวาล เันมันไม่มีการไปการมาไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการปรุงแต่งภายในอย่างจิตของเรามันจะปรุงตลอดเวลาเนี่ยอ่านธรรมะของท่านตอนนานทีแรกยังไม่เข้าใจอะไรลึกซึ้งหรอกก็เข้าใจแค่ว่าเออแปลก ด, ดีท่านสอนอริยสัจนะลงมาที่จิตก็นึกดูนะถ้าจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข์ เห็นอย่างนี้ น, นะก็ใจก็เกิดศรัทธาขึ้นมีศรัทธากัท่านแต่ตอนนั้นปลายปีสองสีลประมาณตีสองสามสองสี 4, แล้วก็เที่ยวถามคนว่าชื่อพระรัตนาครวิสุทธ์เนี่ยเป็นใครอยู่ที่ไหนว่าหนึ่งมีเจอคนหนึ่งเขารู้จักเขาบอกว่าเป็นชื่อหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลเป็นอาจารย์หลวงปู่ฟัน่น พอไดยินอย่นี้ก็ถอดใจแล้วหลวงปู่ฟั่นยังไม่อยู่แล้วเลยหนะลวงปู่โดนจะอยู่ได้ยังไงคงจะสิ้นไปนานแล้วนะจนปลายปีสองสี่คนมาบอกว่าท่านยังอยู่หลวงพ่อก็เลยขึ้นไปหาท่านตอ น, ต, นต้นคมพาสองห้าแล้วไปได้ใจเสี่ศรัทธาอยากเรียนรู้เนีอาศัยเบื้องต้นมีศรัทธาทําไมศรัทธาเพราะธรรมะของท่านโดนใจ องค์อื่นจะสอนแต่เรื่องดูกายเพี้ยนหนากายพุดโธอะไรต่ออะไรไปหลวงพุธ ด, ดึงกับชี้ลงมาที่จิตเลยว่าถ้าจิตมันส่งออกไปนี่จะเป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์ถ้าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรคนที่เกิดขึ้นเป็นนิโรธจะสัมผัสพระนิพพานได้มันรู้สึกถึงออกถึงใจเพราะไม่เป็นเรื่องใจจริงๆให้มานึกนะเออถ้าใจไม่ทุกข์ใครจะทุกข์ ใจมันมีศรัทธาในคําสอนของหลวงพูดุลเขาขึ้นไปหาท่านแลไปเรียนขอเรีย น, กกนไปธรรมะกับท่านไปกราบท่านอ่ะตอนนั้นท่านกําลังฉันข้าวอยู่เราก็รออยู่ข้างนอกห้องท่านพวกพระเขาบอกให้เข้าไปเลยตอนเนี้แหเหมาะนะมีโยมมีอะไรอยู่เยอะเลยเขาบอกเดี๋ยวก่อนให้ท่านฉันข้าวก่อนหลวงพไปยืนรออยู่ที่ตึกอีกตึกหนึ่งนะใกล้ๆครูติท่าน่ะ กะ า, าเดี๋ยวพระคนออกมาแล้วเราจะค่อยเข้าไปหาพระควรเราเข้าออกมาแล้วหลวงพ่อ ก, ก็ขยับจะเข้าไปหาท่านนะก็ปอดขึ้นมาเหมือนกันนะเราไม่เคยเข้าหาพระผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดนี้ครูบาอาจารย์ระดับนี้ก็กลัวเหมือนกันนะ่อนกลัวเนี่ยจดจดจ้องจ้องจะเข้าตอนไหนดีหลวงปู่ทนไม่ไหวหลวงปู่เลยออกมาเรียกเองนะออกมาหน้ากุฏิมาจ้องหน้าใสอย่างเนี้ย แล้วก็ไปถอยไปนั่งอยู่ที่ระเบียงนั่งเก็อีโอหลวงพ่อเขาไปกลาดท่านบอกหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติหลวงปู่แทนที่จะสอนนะท่านก็หลับตางเงียบไปเลยเงียบไปเกินครึ่งชั่วโมงนะเราก็กระสับกระส่ายในใจโอ้หลวงปู่ชลาภาพมากแล้วอายุเก้าสิบห้าปีฉันข้าวเสร็จแล้วนั่งหลับไปแล้ว ถ้จะมาเรียกนกรรมฐ า, านลงปู่หลับซะแล้วเนะี่ตอนนั้นเนสะ่อเซ่อนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเข้าไปแบบไม่รู้เรื่องอะไรสักเรื่องพอท่านลืมตาใหม้มาท่านก็สอนาการปฏิบัตินะั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอา่านหะนังสือมามากแล้วแตอนนี้อ่านจิตตนเองนใะท่านสอนอย่นี้สอนให้อ่านจิตตนเองนะท่านถามว่าเข้าใจไหมนะเข้าใจครับ มันกาลังปลื้มนะเหมือนที่พวกเราเจอหลวงพ่อเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจแต่ว่าเข้าใจยังไงตอบไม่ถูกแล้วท่านนั่นก็ว่าเข้าใจเข้าใจแะ้มันมีศรัทธามากนะแล้มีปิติมันครอบงำสติปัญญาไปหมดเลยเสร็จแล้วท่านบอกเออถ้าเข้าใจแเราก็ไปปฏิบัติเอาะถ้านไม่ไ ม, ม่นั่งครุกคลีอยู่กับท่านทั้งวันอะไรเงี้ยไม่เอา เวลาทุกเวลาทุกนาทีมีคุณค่าเอาเวลานี้ไปปฏิบัติไม่ใช่เอาเวลามานั่งเกาะแข้งเกาะขาครูบาอาจารย์อยู่ก็เลยกลับลาท่านขึ้นรถไฟจะมาโคราชจะมาแวหาหลวงพ่อพุธ ท, ที่วัดป่าสารบันพอ ร, รถไฟเคลื่อนเท่า น, นัใจหายเลยหลวงปู่บอกให้ดูจิตจิตเป็นยังไงเราไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนเราไม่รู้ จะเอาอะไรไปดูเราไม่รู้จะดูยังไงเราไม่รู้รวมความว่ า, าไม่รู้อะไรสักเรื่องเลยนะจะกลับไปถามหลวงปู่ก็ถามไม่ได้แล้วรถไฟมันเคลื่อนที่แล้วไม่รู้จะทํำยังไงตกใจก็ตกใจนะหลวงพ่อกลับมาทําสมถะเลยหายใจเข้าพุทหายใจออกโเพราะเราจำหลักไว้เลยนะถ้าปฏิบัติอะไรไม่ถูกทําสมถะไว้ก่อนอย่างครูบาอาจารย์ท่านสอนนะบอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิต ด, ดูจิตไม่ได้ให้ดูกาย ดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ให้ทําสมถะไม่มีนะที่บอกว่าไม่ต้องปฏิบัตินะไม่มีนะอย่างต่ําที่สุดทําสมถะแล้วก็มีกําลังขึ้นมาก็เจริญปัญญาถ้าดูจิตได้ดูจิตไปเลยนะถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายนะท่านสอนหลักหลักของการปฏิบัติเป็นอย่างนี้เลนะแล้วตั้งแต่หลวงปู่มั่นเป็นต้นมานะท่านก็สอนอย่างนี้นะองค์ที่มาเล่าให้หลวงพ่อฟังคือหลวงปู่สุวัต ว่าท่านไปเรียนกับหลวงปู่มัน่นหลงปู่มันสอนอย่างเนี้ยว่าดูจิตได้ดูจิตไปเลยดูจิตไม่ได้ดูกายทําเลยไม่ได้ทําสมถะตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่เจอหลวงปู่สุวัสด์ยังไม่ได้ยินธรรมานี้แต่พอเราตกใจแล้วไม่รู้จะภาวนาไงกลับมาทําสมถะเลยอัตโนมัติหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเพราะจิตสงบลงมาเนี่ยเรากใช้สติปัญญาพิจรารณาจิตมันควรจะอยู่ที่ไหน จิตมันต้องไม่ไปอยู่ข้างนอกหรอกจิตมันต้องอยู่ในร่างกายเราเนี้ยเพราะงั้นต่อไปนี้เราจะเรียนรู้อยู่ในภายในไายนี้เละไม่ให้เกิดร่างกายออกไปเหรา ะ, ะ น, นถ้าเราทํากรรมฐานแล้วจิตเราไปอยู่ข้างนอกนั้นใช้ไม่ได้นะกรรมฐานเนี่ยต้องใช้กายใช้ใจเปน็นอารมณ์ของกรรมฐานถึงจะเดินปัญญาได้ไปดูสิกายเวทนาจิตธรรมที่พระพทธเจ้าสอนในสติปัฏฐานเป็นเรื่อง เรื่องกายเรื่องใจเรื่องรูปเรื่องนามเท่านั้นนะเะฉะนั้นดูลงมาในกายแมให้เกินใจออกไปเพอจับหลักตรงนี้ได้นะหลวงพ่อก็มาดูต่อแล้วจิตนะรู้ว่าอยู่ในกายจิตอยู่ตรงไหนของกายหาทางว่าจะดูจิตมาอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่ผมหรือเปล่ากำหนดจิตลงไปทําสมาธิเนะี่ยสมาธิเราแรงดูไว้ที่ผมผมก็สลายไปนะเห็นหนามสีสัจ จิตไม่ได้อยู่ที่ผมผมหายไปแล้วไม่เห็นจิตโผล่ขึ้นมาเนึกวาถ้าไม่จิตต้องเป็นดวงอะไรสว่างสว่างอะไรสักอย่างัวลงไปที่ผมผมหายไปแล้วนะก็ไม่มีจิตขึ้นมาดูไล่ลงไปในร่างกายตั้งแต่หัวถึงเท้ายางร่างกายสลายไปนะก็ไม่มีจิตรู้อย่างหนึ่งว่าจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงส่วนใดส่วนหนึ่งของกายกนะ็มาหาจิตต่อไว้หรือจิต คือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะพ่อก็ทําสมาธิให้มีความสุขทำทุ๊บมันก็มีความสุขแล้วแล้วก็ดูไปในความสุขหรือความสุขตับไปไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาหรือว่ามันอยู่ในความทุกข์คราวนี้ต้องนั่งนิ่งๆนะไม่กระดุกกระดิกเลยนั่งนานๆให้มันเมื่อยแล้วดูลงไปในความปวดความเมื่อยดูไปดูไปความปวดความเมื่อยมันดับนะไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาหรือว่าจิตเยู่ ในความคิดเนี่ยเที่ยวหานะ่ะจิตอยู่ที่ไหนแล้วจิตอยู่ในความคิดเราเพ่อก็จงใจคิดเลยคิดหมดส่วนหมดนะพุโทโธสุสุดโธกรุณามหันโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหนันต์นเนี่ยพอมีความคิดผุดขึ้นมาเรามีสติรู้ว่าความคิดผุดขึ้นมาความคิดมันดับลงไปเราเห็นนะความคิดมันเลื้อยขึ้นมามันเหมือนอ ง, งูเลื้อยออกจากถ้านะ ถ้ามันอยู่กลางอกเนี่ยความคิดมันเลื้อยออกมาจากกลางอกเนี่ยแล้วหายไปในความว่างขึ้นมาแล้วหายไปนะทันทีที่เห็นความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะจิตผู้รู้ก็เกิดขึ้นเลยเพนั้นเวลาครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่สอนเนี่ยถ้าจะสอนให้รู้ทันจิตที่คิดเมื่อไรรู้ทันจิตที่คิดเนี่ยจิตคิดจะดับแล้วจิตรู้จะเกิดพอจิตรู้เกิดแล้วหว้จิตคือตัวนี้เอง เราได้มาตั้งแต่เด็กแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันคือตัวจิตผู้รู้นะรได้มาแต่เด็กตอนเด็กนั่งสมาธิ น, นั่งสมาธิอย่างที่ท่านพ่อทีสอนนะเราก็ดูลงในร่างกายพอร่างกายสลายไปหมดนะไม่มีกายดูตั้งแต่ผมเนี่ยมันสลายสลายลงไปถึงกระดูกดูกระดูกแล้วกระดูกระเบิดเลยนะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจายเกลื่อนเต็มพื้นอยู่ ดูต่อไปที่กระดูกอยู่ตามพื้นมันสลายตัวเป็นแสงเสร็จแล้วมันสลายหมดเลยร่างกายหายไปหมดเหลือแต่จิตตรงเดียวเนี่ยมันมีจิตที่เป็นตัวรู้แต่อันนั้นได้มาด้วยการนั่งสมาธิพอมาใช้วิธีรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดปุ๊บไอ้ตัวรู้นี่เขาเกิดมันตัวเดียวกันมันเหมือนกันนะแต่อายุมันสั้นนะถ้ามันตัวรู้นี่เกิดด้วยกำลังของสมาธิอยู่ได้หลายวันนะ จ่ได้ไม่เกินเจ็ดวันก็เสื่อมแต่ถ้าใช้วิธีรู้ว่าจิตคิดเนี่ยมันจะได้สมาธิเป็นขณะขณะไปได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็หลงคิดใหม่รู้อีกแล้วนะก็เกิดผู้รู้ขึ้นมาใหม่สลับกันไปอย่างเงี้ยเนี่ยหนะลวงพ่อเริ่มต้นการภาวนานะเริ่มต้นจากศรัทธาศรัทธาในคำสอนของหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตดูใจมันก็เกิดบิรยะเกิดความขยันหมั่นเพียรในการดูจิตตัวเอง พอมันได้ตัวผู้รู้มาแล้วทีแรกก็าภาวนาผิดไปรักษาจิตผู้รู้ให้นิ่งให้ว่างศึกษาอย่างเนี้สามเดือนแล้วขึ้นไปหาหลวงปู่หลวงปู่บอกผิดจิตมีหน้าที่คิดไม่ปรุงแต่งเราไปทําซะไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอันนี้ผิดนะท่านบอกไปดูใหม่นะท่านสอนแค่นี้นะไม่ได้สอนอะไรมากมายครูบาอาจารย์แต่ก่อนนี่โหดมากเลยบอกให้เราไปทําเราต้องค้นคว้าเอาเองนะ เนนหนื่อยยากลําบากมากเลยรู้แล้วว่าการรักษาจิตไม่ผิดทํายังไงถึงจะดูจิตได้ถูกหลวงพ่อขึ้นมานึกถึงคําว่าดูคําว่าดูหรือคําว่าจิตเห็นจิตคําว่าดูคําว่าเห็นเนี่มันเหมือนเราดูหนังสือเราดูละครเราเห็นคนเดินไปเดินมาเราไม่ได้ไปบังคับควบคุมสิ่งที่เราเห็นไม่ได้บังคับควบคุมสิ่งที่เรารู้ อย่างเราดูหนังเนี่ยเราไม่ไปบังคับรูปในจอได้หรอกนะรูปในจอมันเป็นยังไงเราก็รู้ไปอย่างนั้นหรือเราลืมตาขึ้นมาอ่เนี่ยเราเห็นคนเยอะแยะนะแต่ละคนก็เคลื่อนไหวอย่างร้อนอย่างนี้อนะไรเนี้ยเราควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เราแค่เห็นนะ <S <S เคล็ดลับมันอยู่ที่คําว่าเห็นหรือคําว่ารู้หรือคําว่าดูนี่เองนะดูก็คือสิ่งที่ถูกดูเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างถ้าเราดูกายเนี่ย ร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นถ้าดูจิตจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยได้เคล็ดลับของการดูจิตมาจากคำว่าดูนี่แหละดูดูจิตตัวเองเหมือนดูหนังสือเล่มหนึง่งหนังสือจะมีบทรักเราก็อ่านไปหนังสือจะมีบทโกรธเราก็อ่านไปหนังสือจะน่าเบื่อหนังสือจะน่าสนใจเราก็อ่านไปเนี่ยเราอ่านจิตตัวเองเหมือนอ่านหนังสือเล่มหนึง่ง แล้วก็เดี๋ยวก็มองไปเรื่อยๆนะเออตอนนี้จิตนี้มันมีบทรักนะม น, นรักนู้นรักนี่ตอนนี้มีบทโกรธตอนนี้มีบทเสียใจตอนนี้ดีใจตอนนี้ชอบตอนนี้ไม่ชอบตอนนี้เกลียดขี้หน้าคนนี้พอใจคนนี้รักคนนั้นเกลียดคนนี้ชอบแมวไม่ชอบหมาขี้เลื้อนอะไรนะชอบหมาสวยๆนี่อ่านใจไปเรื่อย จิตมันเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นมันสุครู้ว่ามันสุขมันทุกรู้มันทุกข์มันดีรู้ว่ามันดีมันโลภมันโกรธมันหลงก็รู้ว่ามันโลภมันโกรธมันหลงอันนี้แหละเรียกว่าการดูจิตในการดูจิตเนี่ยพ่อหลวงพ่อดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะมันก็เริ่มเห็นความจริงแล้วร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตอาศัยอยู่แล้วเป็นจิตเป็นคนรู้แตหลวงพ่อเห็น ร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเรามาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะเราเคยภาวนาจนร่างกายระเบิดไปหมดนะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันก็ผ่านกายอย่างรวดเร็ ว, วตรงที่เราดูกายจนสลายไปหมดแล้วเนี่ยทําให้หลวงพ่อรู้สึกจืดกับคําสอนเกี่ยวกับการดูกายก่อนจะเจอหลวงปู ด, ดุลเนี่ยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ทั้งหลายนียส่วนใหญ่ท่านสอนให้ดูกาย จิตมันรู้สึกจืดชืดดูไปแล้วไม่เห็นมีอะไรดูไปแล้วก็สลายตัวไปหมดนะไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาใจมันเื่อมลืมันเบื่อมันไม่สนใจที่จะดูกายอันนี้เป็นจริตนิสัยนะแต่ละคนมีจริตนิสัยไม่เหมือนกันบางคนดูจิตแล้วรู้สึกดูไม่รู้เรื่องอันนี้ไปดูกายแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ต้องเรียนแบบกันอย่างหลวงพ่อถ้าดูกายรู้สึกจืดชืดคับแคบกายนี้เป็นของคับแคบนะ ยาวานาคือความสอกอยู่แค่นี้เองไม่ได้มีอะไรแต่จิตนี้กว้างขวางไปโลกอื่นก็ได้ไปทําอะไรก็พิลึกพิลั่นอะไรก็ได้นะดีก็ได้ชั่วก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไปอยู่ในพรหมโลกก็ได้อยู่ในเทวโลกก็ได้เป็นเปรตเปนอาสุรกายเป็นสันนิโรกสันเดลฉัยก็ได้เนี่ยจิตมันวิจิตพิสดารสารพัดเนี่ยเวลาเรียนแล้วรู้สึกสนุกมันมีฉันทะ ที่จะเรียนรู้จิตตนเองแลเห็นจิตนี้เปลี่ยนแปลงทั้งวันเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ทั้งวันดูกายแล้วรู้สึกจุดอันนี้ไม่ใช่ว่าดูกายไม่ดีนะแต่ว่ามันไม่ถูกจริตหลวงพ่อเท่านั้นเองบางคนท่านดูกายครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ดูกายนะไม่ได้ดูจิตหรอกถ้าดูกายก่อนแล้วค่อยไปแตกหักตอนขั้นแตกหักนะั่นแหละถึงจะมาดูจิตกันส่วนใหญ่ก็ดูกาย หลวงปูดูลเริ่มต้นท่านดูไก่นะเอาท่านเข้าใจธรรมะขั้นต้นแล้วเนี่ยท่านไปหาหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นสอนให้ท่านดูจิตไม่ต้องรอว่าเป็นพระนาคาแล้วดูจิตนะท่านดูจิตก่อนหน้านั้นนะแล้วใช้เวลาไม่กี่เดือนก็เข้าใจอริยรสัจแห่งจิตได้มานี่เราพ่อมาภาวนาอ่านจิตใจตัวเองไป นี่พอภานามาเรื่อยๆนะก็พบว่าการอานจิตใจตัวเองนะมันทําได้หลายระดับถ้าสติของเราช้าเราดูได้ช้าเนี่ยเราดูจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตโลภขึ้นมาค่อยรู้จิตโกรธขึ้นมาค่อยรู้จิตหลงขึ้นมาค่อยรู้ถ้าเราดูตัวกิเลสเนี่ยเป็นนักดูจิตที่ฝีมือยังอ่อนหน่อยขั้นต้นๆดูตัวกิเลสเนี่ยดูง่ายเพราะเรารู้จักโลภไหม รู้จากโกรธไหมรู้จะฟุ้งซ่านไหมรู้จะโหดขู่ไหมเนี่ยกิเลสพวกเนี้ยตัวไหนเกิดแล้วรู้นะตัวไหนเกิดแล้วก็รู้ตัวไหนเกิดเราก็รู้ค่อยๆรู้ค่อยๆดูไปแล้วเราจะเห็นว่าทุกตัวที่เกิดดับทั้งสิ้นะความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับดีชั่วอะไรเกิดแล้วดับหมดเลยแต่หัดดูทีแรกเนี่ยตัวที่เด่นคือกิเลสคนไหนขี้โมโหยกมือซ่คนไหนขี้มโ ม, ศศหหมโหบ้าง ประเภทเห็นอะไรก็ขัดใจเห็นอะไรก็รําคาญอย่างเนี้ถ้าเราเป็นคนที่มีพื้นจิตที่โมโหนะเราก็ใช้จิตตานุปัสนาบทที่ว่าจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะดูลงไปเลยจิตโมโหขึ้นมาจิตโกรธขึ้มารู้จิตหายโกรธก็รู้ดูมันเกิดดับอย่างนนะ้สลับไปนะี่บางคนดูกิเลศเนนะี่ย ก็ยังไม่เต็มรู้สึกกิเลสเนี่ยก่อนที่กิเลสจะเกิดเนี่ยจิตมีกระบวนการทํา ง, งานทั้งยืดเยื้อยาวนานกว่าจะเกิดกิเลสได้อย่างพวกเรารู้สึกกิเลสเกิดง่ายไหมจริงๆกว่ากิเลสจะเกิดเนี่ยมีขั้นตอนตั้งเยอะเลยกิเลสจะตามหลังเวทนา ม, ามันจะแทรกมากับเวทนามีความสุขขึ้นมาแล้วเราไม่มีสติเนีราคะจะแทรกความพอใจจะแทรก มีความทุกข์ขึ้นมาแล้วเราไม่มีสตินะโทซาจะแทรกมีความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์จากอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนนะมันจะหลงง่ายโมหามันจะแทรกบางทีก็ซึมไปเลยดูอะไรถ้าดูโกรดขึ้นมาก็ไปรับโกรดไม่ค่อยซึมรู้สึกไหมเวลาโลภไม่ค่อยซึมมันบืบว่าแต่เวลาหลงเพลินเพลมันซึม ง, ง่ายนะเวลาใจไม่สุขไม่ทุกข์เนะี่ยโมหามักจะแทรก แต่เวลาใจมีความทุกข์นะโทสะจะแทรกเวลาใจมีความสุขราคะจะแทรกถ้าเราดูจิตได้ช้าเราก็ดูตัวที่ราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบางคนแค่นี้ไม่พอดูได้เร็วกว่านั้นสติเร็วเห็นมีความสุขเกิดขึ้นก็รู้มีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้มีความเฉยๆเกิดขึ้นก็รู้นี่เป็นการดูจิตระดับกลางนะฝีมือปานกลาง ยังมีขั้นสูงกว่านั้นอีกถ้าสติของเราเข้มแข็งจริงสมาธิของเราดีจริงนะเราจะดูตั้งแต่ก่อนจะเกิดเวทนาอะไรทำให้เวทนาเกิดตามไดนไหมเวทนาเกิดจากอะไรตามหลังอะไรมาตามหลังผัดสักดิตาเรามองเห็นใจก็แปลความหมายของสิ่งที่เห็นก็เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดเฉยเยขึ้นมา แล้ตัวนี้ถ้าไม่มีสติเวลามีความสุขมันก็จะพอใจเพลิดเพลินราคามันแทรกเวลาตามองเห็นนะแล้วแปลสัญญาณที่ตาเห็นนะแปลออกมาเป็นของไม่ดีนี่ศัตรูเรานะโทสะก็เกิดพอโทสะ เ, เกิดเนะี่ยมันไม่สบายใจนะเห็นไอ้คนนี้แล้วอึดอัดโทสะก็ เ, เกิดเนะี่ยกระบวนการที่จิตมันทํางานทํางานอย่างนี้เพราะนาถ้าเราดูจิตได้ช้านะเรไปดูที่กิเลส ถ้าเราดูได้ไวปานกลางเราดูที่เวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยที่เกิดขึ้นในใจถ้าเราดูทันตั้งแต่ตรงนี้กิเลสจะไม่เกิดจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิ ต, ม, จต K, มีความทุกข์รู้ว่ามีความทุกข์จิตเฉยเฉยรู้ว่าเฉยเฉยมีสติอยู่ตรงนี้ยกิเลสจะไม่แทรกเข้ามาแต่ถ้าสติไม่รู้ทั น, นทเวทนาที่เกิดน่ะกิเลสจะแทรกเข้ามางั้นถ้าเราดูจิตได้ช้าเนี่ยกิเลสแทรกมาแล้ว เราก็รู้ว่ามีกิเลสนะจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะตัวอย่างนี้ถ้าเราดูได้เร็วขึ้นนะจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขตัวนี้ยังไม่มีกิเลสจิตมีความทุกรู้ว่ามีความทุกข์จิตเฉยๆรู้ว่าเฉยๆนะีค่อยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปกิเลสมันจะทํางานได้ไม่ dus เต็มที่นะทํางานไม่ได้เต็มที่ทํางานได้นิดๆหน่อยๆ แล้วถ้าสติเราเร็ววันนั้นอีกมันจะเห็นอะไรเวลาเราดูจิตเราจะเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกจิตเดี๋ยววิ่งไปดูรูปเดี๋ยววิ่งไปฟังเสียงเดี๋ยววิ่งไปดมกลิ่นเดี๋ยววิ่งไปริมรถเดี๋ยววิ่งไปรู้สัมผัสที่กายเดี๋ยววิ่งไปคิดนึกทางใจเดี๋ยววิ่งไปเพ่งอารมณ์ทางใจทำงานได้หลายแบบวิ่งอยู่ในทางทวารทั้งหกือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง งนั้นถ้าเราฝึกจนชำ น, น, น, นี้ชํานาญเนี่ยนะจิตหลงไปดูจิตไหลไปดูรู้ว่าจิตไปดนะูจิตไปฟังรู้ว่าจิตไปฟังจิตไปคิดรู้ว่าจิตไปคิดถ้าดูตรงนี้ได้นะนแะเร็วที่สุดนะตัวเนี้ยเร็วที่สุดเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเริ่มจากตรงนี้นะไม่จําเป็นเริ่มจากตรงไหนก็ได้ถ้าเราเห็นกิเลส ต, ตัวเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแค่นั้นก็ดีแล้วนะแค่นั้นก็พอแล้ว ถ้าเห็นสุขเห็นทุกข์เนี่ยกิเลสยังไม่ทำงานเต็มที่นะถ้าเห็นจิตเกิดดับทางทวารทั้ง6เนี่ยอันนี้เร็วที่สุดเราจะพบว่าเวลาจิตไปเห็นรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสเนี่ยไม่มีความสุขความทุกข์จิตจะมีแต่อุเบกขาในขณะที่ตามองเห็นเนี่ยจิตที่เห็นเนี่ยนะจะมีแต่อุเบกขาไม่มีสุขมีทุกข์นะลองไปสังเกตของจริงดู จิตที่ฟังก็ไม่มีสุขมีทุกข์มีแต่อุเบกขาจิต ท, ที่ได้กลิ่นก็มีแต่อุเบกขานะส่วนสุขทุกข์เนี่ยมันตามหลังการที่จิตไปพิจารณาว่ารูปที่เห็นนั้นมันเป็นยังไงนะเป็นรูปที่พอใจเนี่ยก็เกิดความสุขขึ้นมาเป็นรูปที่ไม่ชอบใจนะความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมานี่พอมีความสุขแล้วเราไม่มีสติีมันก็เกิดรักใคร่ผูกพันในรูปอันนั้นในเสียงอันนั้น ถ้าไม่มีสติกระทบแล้วนะก็เกิดความขัดเคืองรำคาญใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเหล่านั้นเนี่ยมันทำงานเป็นขั้นเป็นตอนของมันหัดดูจิตดูด ใ, จใจตัวเองไปนะดูเท่าที่ดูได้ถ้าดูได้เร็วที่สุดเนี่ยจิตเคลื่อนปุ๊บรู้พักเลยส่วนใหญ่เคลื่อนไปคิดนอกจากเคลื่อนไปคิดมีเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟงังเคลื่อนไปดมกลิ่นเคลื่อนไปรู้รส ทางลิ้นนะเคลื่อนไปรู้สัมผัสทางร่างกายอย่างเรานั่งนั่ ง, งเตือนเตอนอยู่ยุงกัดนั้นเจ็บแผบขึ้นมาเนี้ยจิตมันจะวิ่งไปหาตรงที่ยุงกัดเลยเนี่ยจิตมันวิ่งไปในกายแต่การที่ดูจิตมีราคาโทสะโมหะเกิดดับเนี้ยดูง่ายนะดูง่ายๆหัดดูไปเรื่อยเรยหรือดูสุขดูทุกข์ดูเฉยเฉยสามอันนี้ก็มดูไม่ยากหรอก แต่ดูจิตที่เกิดดับทางอายตนะเนี่ยยากหน่อยเราดูทีแรกเราจะไม่รู้สึกว่าจิตเกิดดับเราจะรู้สึกว่าจิตมีดวงเดียวนะเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาพอวิ่งไปทางตาแล้วพอ ร, รู้สึกตัวนะเราก็ดึงจิตคืนมานะเดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูวิ่งไปฟังพอเรารู้ว่าจิตหลงไปฟังแล้วเราก็ไดึงคืนมาก็เราคิดว่าจิตมีดวงเดียวนะจิตมีดวงเดียวเที่ยงจิตนี้คือตัวเรา เนี่ยเราไม่เห็นว่าจิตไม่เที่ยงจิตเป็น ท, ทุกข์จตเป็นอนัตตาโดยพื้นฐานเลยเรารู้สึกว่าจิตของเราเที่ยงรู้ว่าจิตของเราถ้าไม่ถูกกิเลสย้ยอมนะมีความสุขรู้ว่าจิตเนี่ยคือตัวเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราอยู่ตรงไหนลองไล่สิไม่ได้อยู่ในกายนะอยู่ที่จิตอยู่ที่ความรู้สึกของเรานี่คาว่าจิตเนี่ยฟังแล้วน่ากลัวนะมีคาอยู่คำหนึ่ง ความรับรู้ความรับรู้อารมณนะ์ความรับรู้อารมณ์นั่นก็คือตัวจิตงันจิตจริงๆก็เป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์เท่านั้นเองนะที่เราไปเรียกเป็นดวงดวงนั้นะเรียกตามลักษณะนามนะจิตไม่มีจุนมีดวงอะไรหรอกเพราะจิตไม่มีรูปร่างนะแต่บางทีภาวนาเราเห็นเป็นดวงดวงนั้นมันเป็นนิมิตนะเป็นนิมิตสร้างขึ้นมาเท่านั้นอย่างจิตที่ไปดูรูปเนะี่ย อย่างขนาเนี้ลองดูพระพุทธรูปสิมีจิตเป็นดวงดวงวิ่งไปดูไหมไม่มีหรอกมีแต่ความรับรู้ทางตาเนี่ยเรามีความรับรู้ทางตาคือเห็นพระพุทธรูปแล้วถ้าเราเห็นพระพุทธรูปแล้วนะรู้สึกพระนี้สวยนะ เ, นยเกิดมีความสุขขึ้นมาเห็นพระแล้วมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขถ้าไม่รู้ราคาจะแทรกมุ้ยอุนี้สวยน่าจะยกกลับบ้าน อย่างนี้ยราคาแทรกละนะเลยไปเห็นของไม่สวยแม่งามมันเกลียดมันอย่างเงี้ยกิเลสโทสะก็แทรกดูให้ดีจิตที่ไปดูดวงหนึ่งนะเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปรับอารมณ์จากการดูอย่างเราไปดูรูปเนี่ยมันจะมีจิตดวงหนึ่งเหมือนเป็นเหมือนในพวกไปสนีเหมือนเคอรี่เหมือนอะไรเงี้ยนะ เป็นคนขนข้อมูลจากการดูเนี่ยส่งเข้ามาที่ใจเนี่ยมีจิตดวงหนึ่งทําหน้าที่รับข้อมูลส่งมาที่ใจมีจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาพิจารณาว่าไอเนี่ยคืออะไรมีจิตอีกดวงหนึ่งมาตัดสินว่าไอเนี่ยดีไม่ดีนะถูกใจไม่ถูกใจอะไรเงี้ยแล้วถัดจากนั้นจิตจ้มีกิเลสเกิดขึ้นที่จริงแล้วจิตเนี่ยทํางานต่อเนื่องกันเป็นดวงดวงนะ เกิดข <S an> ึ้นมาแล้วก็ดับเกิดขึ้นมาแล้วดับจิตที่ดูเกิดแล้วดับเกิดจิตที่ส่งสัญญาณว่ามันมีรูปอะไรอย่างหนึ่งเป็นสีที่ตัดกันอย่างเนี้ยตามันมองเห็นสีที่ตัดกันตัวนั้นเรียกว่ารูปนะสีที่ตัดกันนะมันส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจแล้วมันแปลสีที่ตัดกันอย่างนี้คือคนจาได้ขึ้นมาสัญญาเข้าไปหมายนี่คือคนแล้วคนเนี้ย สวยนะเป็นแฟนเราด้วยนะเป็นแฟนเก่าเรานะสวยนีจิตมันเกิดพอใจขึ้นมานะมีความสุขที่ได้เห็นรูปอันนี้เพราะความสุขเนี่ยมันมาเกิดที่ใจนี้ความสุขไม่ได้เกิดตอนที่มองเห็นต้องมองเห็นแล้วก็แปลความถึงจะมีความสุขถ้ายังเราขับรถอยู่เราเห็นคนปาดหน้าเราเนี่ยโกรธไหมยังไม่โกรธหรอก ขณะที่ตาเห็นปาดหน้าอยังไม่โกรธสังเกตไม่ต้องคิดอะไรหน่อยหนึ่งต้องพิจารณานิดนึงเอมืองเจ๊แน่จะแค่ไหนไว่าอิสันดานนี่ใส่ไม่ดีใส่พ่อมาพ่อตาแม่ยายมันจะคลอดหรือไงอย่างงี้นะนะเพราโมโหนะก็คิดในทางไม่ดีคิดในทางพยาบาทวิตกโทรสารถงยงจะเกิดนะถ้าคิดไปในทางดีนะโทรสาไม่เกิดหรอก แค่ เ, เห็นเขาปาดหน้าเราพลุดพลาดพลุดพลาดโถสงสัยบรรพบุรุษใกล้จะเสียแล้วน่าสงสารก็รีบไปดูใจพ่อแม่ช่างเป็นลูกกตัญญูเสียจริงจะโกรธไหมไม่โกรธหรอกไม่โกรธอยู่ที่คิดนะอยู่ที่การพิจารณาอารมณ์นั้นว่าอารมณ์นั้นถูกใจหรือไม่ถูกใจถ้าอารมณ์นั้นถูกใจไม่โกรธหรอกอย่างมากก็โลกแต่ถ้าอารมณ์นั้นไม่ถูกใจมันโกรธ มันอยูที่คิดเอาเองทั้งหมดเลยนะจะโลบจะโกรธจะหลงอะไรเนี่ยงั้นเราหัดดูจิตดูใจของเราไปเรื่อยๆอย่าคิดว่าจิตมีดวงเดียวนัปฏิบัติหัดใหม่เนี่ยจะคิดว่าจิตมีดวงเดียวเพราะนั้นจิตวิ่งไปดูพอรู้ว่าจิตวิ่งไปดูพอไปดึงคืนพอไปดึงจิตที่ดูคืนมาเนี่ยมันจะแน่นเต็มหน้าอกเลยตัวนี้ทําผิดนะที่จริงจิตเกิดดับจิตหลงไปดูเกิดขึ้น เกิดจิตตัวหนึ่งรู้ว่าเมื่อกี้หลงไปดูจิตที่หลงไปดูดับไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วไม่ต้องไปหยิบเวยอะไรเพราะมันเป็นอดีตมันจบไปแล้วจิตดวงใหม่มันรู้ว่าตะกี้หลงไปดูต่างหากเนี่ยดูจิตที่เป็นปัจจุบันตัวนี้อดีตไม่เอาดังนั้นเราจะไม่ต้องมาควบคุมรักษาจิตนะไม่ใช่รักษาจิตให้นิ่งไม่กระดุกกระดิกอะไรเงี้ยหลวงู่ดูถึงบอกว่าจิตมีธรรมชาติส่งออกนอก ส่งออกนอกส่งไปไหนส่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างส่งไปคิดก็ถือว่าส่งออกนอกนะนนจิตมีธรรมชาติต้องเคลื่อนไปนะมันไปเกิดที่ตาแล้วมันกระดับเกิดที่หูแล้วมันกระดับนะส่งสัญญาณมาที่ใจตัวที่ส่งสัญญาณมาพอส่งสัญญาณมาถึงใจแล้วมันก็ดับนะนี่มันเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันอย่างนี้ตลอดวันตลอดคืน พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนว่าจิตนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะถ้าเห็นว่าจิตมีดวงเดียวคือจิตเที่ยงถ้าเห็นว่าจิตเที่ยงจิตก็เป็นตัวเราของเรานั่นคือมิจฉาทิฏฐนะิลาสกายทิฏฐิไม่ขาดแต่ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยนะเราเห็นจิตเองก็ไม่เที่ยงวิธีเห็นจิตไม่เที่ยงอาจจะเห็นจิตเกิดดับทางถาวรทั้งหกเกิดที่ตาระดับเกิดที่หูระดับอย่างนี้ก็ได้ ส ำ, ส, สำหรับคนที่สติเร็วนะถ้าสติช้ากว่านี้ก็เห็นว่าจิตที่สุขก็ไม่เที่ยงจิตที่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตที่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงอย่างนี้ก็ได้ถ้าสติช้ากว่านั้นจิตที่โกรธก็ไม่เที่ยงจิตที่ไม่โกรธก็ไม่เที่ยงจิตที่โลภก็ไม่เที่ยงจิตที่ไม่โลภก็ไม่เที่ยงจิตที่หลงก็ไม่เที่ยงจิตที่ไม่หลงก็ไม่เที่ยงจิตฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงจิตโหดหูกก็ไม่เที่ยงแน่ตัวอย่างนี้ก็ได้ ดูแบบไหนก็ได้นะดูเท่าที่เราดูได้ไม่จําเป็นที่จะต้องดูอย่างละเอียดถ้าเราดูอย่างหยาบได้เราก็ดูอย่างหยาบถ้าดูอย่างหยาบไม่ได้นะก็ไปดูกายดูจิตไม่ออกก็ดูกายมีให้ดูทั้นเยอะตั้งแยะของที่จะดูกายนี่ดูง่ายนะขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมต้องทําจิตให้พิสดารไหมถึงจะรู้ว่าเรากำลังนั่งอยู่เนี่ยจิตของมนุษย์ธรรมดาอย่างเงี้ยรู้ได้ไหม ลองพยักหน้าสิรู้สึกไหมมันพยักหน้าเนี่ยวิธีรู้นะมเห็นจะลึกลับอะไรเลยคนต้บอกอา้านดู ก, กายสิทำจิตให้ขรึมๆนะเอาละจะพยักหน้าล ะ, ะเห็นแล้วเบื่อถ้าเป็นคนเหนือบอกหาละกลยกูละเบื่อนเนี่ยเห็นร่างกายหัวละไหม เห็นร่างกายหัวเราะก็ใช้ได้หรือดูทําไมมันหัวเราะจิตมันขำรู้สึกไหมจิตมันขาดูว่าจิตมันขาได้ก็ดูจิตมันขานะดูจิตมันขาไม่ออกก็เห็นร่างกายมันหัวล้อเห็นไหมมันมีสเต็ปของมันนะดูจิตได้ดูจิตไปเลยเพราะจิตมันเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานของสภาวะธรรมทั้งหลายดูจิตไม่ได้ดูกายอย่างเราดูจิตโกรธไม่เป็นนะเรานึกถึงหน้าตัวเอง เวลากโกรธหน้าตาเป็นยังไงนึกออกไหมลองนึกซิตอนที่โกรธหน้าตาเราเป็นยังไงนึกออกไหมต่อไปนี้นะพอโกรธเนี่ยสังเกตหน้าตัวเองเลยนึกดูหน้าตาอย่างเนี้ยอันนี้สําหรับคนดูจิตไม่เป็นนะเวลาหน้าตาเราเป็นยักษ์ขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้มันโกรธเนี่ยค่อยๆดูไปนะต่อไปก็ดูจิตออกมันโกรธขึ้นมาก็รู้ละนะแค่มันโกรธก็รู้ละแต่ถ้ามันโกรธ เป็นความรู้สึกทางใจเราดูไม่ออกเรามาดูทางกายเนี่ยหน้าตาชักจะทะมึงถึงแนละ้วเวลามีราคาะมีราคะหน้าตามีไหมราคะดูออกไหมเวลาเห็นคนอื่นนะสมมติเห็นที่คนอื่นต้องใช้คําอย่างนี้ไม่ใช่หยาบคายนะหลวงพ่อต้องการสื่อให้เห็นราคาที่แรงๆเวลาคนมันหื่นเนี่ยเราดูออกไหมหน้าตามันน่าเกลียดใช่ไหมหน้าทุเรศเหมือนหมูเหมือนหมาอะไรงั้นเลยนะ ถ้าเขาดูกายได้เห็นหน้าตาตัวเองแบบนั้นะมันจะเลิกเลยะมันจะเลิกเลยจิตมันจะกลับมาตั้งมั่นโดยเพราะมันดูกายได้แล้วดูกายได้จิตก็ตั้งมั่นได้แต่ถ้าดูไม่ออกก็ ด, ดูดูจิตได้ดูจิตเลยนะถ้าดูไม่ได้ก็ดูกายถ้าดูอะไรไม่รู้เรื่องเลยพุโทโธไปหายใจไปทําสมถธิเนี่ยหลักของการปฏิบัตินะไล่ขึ้นไล่ลงอ ย, อย่างนี้ย หลวงพ่อไปหาหลวงพู่ดุลหลวงพ่อมีศรัทธานะรู้สึกทึ่งในคําสอนเกี่ยวกับจิตของท่านนะพอท่านสอนมาเนี่มาดูพอมาดูเนี่ยนะโว้ทำไมจิตนี้มันวิจิตวิสดาลมันทําไมหลากหลายสารพัดรูปแบบนะสุขก็มีทุกข์ก็มีดีก็มีชั่วก็มนะีจิตที่ไปดูก็มีจิตที่ไปฟังก็มีจิตที่ไปดมฟิก รู้รสรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสทางกายก็มีจิตที่ไปคิดทางใจก็มีจิตที่ไปเพ่งก็มีนะจิตที่ตกผวังก็มีจิตที่ไปเคลื่อนอยู่ในผวังก็มีจิตที่ขึ้นจากผวังก็มีนะแล้วก็เคยดูจิตที่ตายด้วยสุติจิตจิตที่ตายจิตที่เกิดจิตที่ตายเนี่จิตมันทําหน้าที่ได้วิจิตวิสดาลมางนะทําหน้าที่ได้รวมแล้วสิบสี่แบบนะ เวลามาเรียนเรื่องจิตนะโอ้ยหมันมากเลยเพราะฉะนั้นคําสอนของหลวงปูด่ดูลนะเลยถูกใจของหลวงพ่อมันพื่อมันมีศรัทธานะพอมีศรัทธาขึ้นมาเราเกิดวิริยะขยันดูมีศรทัทธาแล้วเลยขยันปฏิบัติพอขยันดูเรื่อยเเห็นสภาวะบ่อยๆนะั้นจิตจําสภาวะได้แม่นสติก็เกิดพอสติเกิดนะ้วพอจิตมันเคลื่อนไปสู่สภาวะใดนหนึ่งรู้ทันปั๊บสมาธิก็เกิด พอสมาธิเกิดจิตตั้งมั่นมันก็เห็นจิตทํางานเห็นกายทํางานไปเรื่อยสุดท้ายปัญญาก็เกิดนะอาศัยศรัทธาในเบื้องต้นเข้าไปรับฟังคําสั่งสอนนะน้อมนํามาปฏิบัติพอเริ่มเห็นผลนะมันจะริ่งขยันปฏิบัติจะเกิดฉันทะอยากปฏิบัติพอมีฉันทะวิริยะก็เกิด มีความสนใจมีความใส่ใจเรื่องจิตตากนะัจิตใจเนี่ยคอยศึกษาคล้เาเคลียไม่หนีไปเรื่องอื่นเลยหลวงพ่อเวลาเริ่มมาดูจิตเนี่ยหลวงพ่อแทบจะไม่สนใจเรื่องอื่นในโลกเลยนะใครเขาสนุกสนานเฮฮาเขาดูบอลโลกดูเลยรเราดูจิตนะให้พวกดูบอลโลกนะตอนเช้ามาทํางานหนะ้าตาแดงมาเชอะส่วนเราดูจิตดูใจตอนเช้ามาทํางานหนะ้าตาใสาปิ้งเลยนะใสปิ้งปิ้งมาเลยนะ มันสู้กันไม่ได้หรอกเนี่ยเราหัดรู้หัดดูของเราด้วยพอมีฉันทามีความสุขมีความพอใจที่ได้ดูที่ได้เรียนรู้มัอาศัยศรัทธาก่อนนะแล้วก็สนใจขึ้นมามีฉันทาขึ้นมาก็ ข, าขยันเกิดวิริยะขึ้นมาพอมีวิริยะเนี่ยจิตใจก็คอยจดจ่ออยู่สมาธิก็เกิดจิตใจเขาเคลียร์วิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ จิตใจมันมีกี่แบบมันทำงานยังไงนะมันบังคับได้หรือไม่ได้มันเที่ยงไหมเนะนี่ยค่อยๆดูไปนะตัวเนี้ยเป็นตัววิมังสานะความคร้ครวนจิตมันคล้คลวนค้นคว้าศึกษาอยู่เมื่อมีฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสาเรียกว่ามีอิทธิบาทสีนะแล้วการที่เรามีศรัทธาในคำสอนเรามาขยันดูมีศรัทธามีวิริยะ สติของเราก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเพราะเราดูสภาวะบ่อยๆสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นนะพะสติเราดีนะมันเห็นสภาวะที่จิตวิ่งไปวิ่งมานะสมาธิไม่จะเกิดนะอาศัยสตินี่แหละเป็นเครื่องมือพัฒนาสมาธิขึ้นมาพอมีสมาธิขึ้นมาจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะสติเราลึกรู้อะไรลงไปมันจะเห็นเนละสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราสิ่งนั้นไม่ใช่ของเรา เป็นแค่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตามที่เราอยากไม่ใช่ตามที่เราสั่งอย่างความโกรธเนี้ยเราหัน ด, ดูไปเรื่อยๆต่อไปเราจะเข้าใจความโกรธเกิดจากเหตุนะไม่ใช่เกิดจากเราคิดขึ้นมาไม่เราไม่ได้สั่งให้เกิดเวลาเรากระทบอารมณ์แล้วเราแปลกความหมายได้ว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีนะในขณะนั้นเราไม่มีสติ ในขณะนั้นเรามีฐานเดิมที่ไม่ชอบสิ่งนี้อยู่นะีแค่นี้มีองค์ประกอบเหล่านี้ประชุมกันร่วมมือกันนะความโกรธก็จะผุดขึ้นมาเนะี่ยกิเลสตัวอื่นก็เหมือนกันมันต้องมีเหตุนะไม่ใช่อยู่ลอยๆเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุสภาวะที่เกิดโดยไม่มีเหตุมีบางคนนะบอกว่าสิ่งเท่าไหลายเกิดโดยไม่มีเหตุพระพุทธเจ้าบอกว่านั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่งนะ สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้นนะสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเนี้ยเกิดจากเหตุทั้งสิ้นมีสิ่งเดียวที่นอกเหตุเหนือผลคือนิพพานะขนาดตัวอริยผลนะก็มีเหตุคืออริยมรรคอริยมรรคเป็นเหตุอริยผลเป็นผลปัญนะหาเป็นเหตุความทุกข์เป็นผลเนะี้ยทุกอย่างมีเหตุมีผลอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นชาวพุทธต้องมีเหตุมีผลนะ ชาวพุทธที่ไรยเหตุไรยผลไม่ใช่ชาวพุทธที่ดีหรอกเป็นพวกงม ง, งายไม่ใช่ชาวพุทธพุทธาแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องมีสติมีปัญญาเนี่ยเราค่อยๆสังเกตจิตใจเทวองไปหลวงพ่ออาศัยศรัทธาในคำสอนของหลวงพู ด, ดูลแล้วก็มาขยันดูยิ่งดูยิ่งรู้ยิ่งเห็นนะก็ยิ่งตื่นเต้นประทับใจความใส่ใจ นะมีความตั้งอกตั้งใจที่จะเรียนรู้เนี่ยาาก็มากขึ้นมากขึ้นะจิตใจค้นคว้าใคร่ครวนให้เห็นความจริงของจิตใจาาก็มากขึ้นมากขึ้นสะิ่งเหล่านี้เป็นองค์ธรรมที่ดีทั้งหมดเลยนะศรัท ธ, ธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นพะละเป็นกาลังกําลังของอะไรกําลังของจิตนะแล้วก็ ฉันทา้าภิริยะจิตตาพิมังสาเรียกว่าอิทธิบาทก็เป็นกำลังให้จิตเองเป็นองค์ธรรมฝ่ายดีทั้งหมดเลยวงค์ธรรมเหล่านี้ช่วยๆกันหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆจากจิตของเด็กทารกอยากได้อะไรก็โวยวานยะหิวข้าวโมโหกว่วงนอนท่าโมโหอะไรไม่ถูกใจก็โมโหเอะอโวยวายแบบเด็กทารกอะ่ะมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากขึ้น เราภาวนาไปสักช่วงหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใครรู้สึกตรงนี้บ้างว่าเราภาวนาแล้วเรารู้สึกเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีวุฒรที่ภาวะมากขึ้นเราโตขึ้นรู้สึกไหมใครรู้สึกหอลองยกมือให้ดูหน่อยสิมีไหมนะเราจะรู้ด้วยตัวเองนะเพราะเราเป็นวินโยชน์วินโยชนรู้ได้ด้วยตนเองถ้าทรชนะไม่ยอมรู้หรอกถ้าวินโยชนมันรู้ได้ด้วยตัวเองย อ, อย่า ง, งเราเคยหลงโลก เราก็เริ่มเห็นความจริงของโลกแล้วโลกไม่เห็นมีสาระเลยหลงไปก็เท่านั้นอ่ะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์เนะนี่นใจมันค่อยๆถอยออกจากโลกใครภาวนาแล้วรู้สึกว่าจิตถอยห่างออกจากโลกบ้างค่อยๆห่างออกมาใครรู้สึกบ้างต้องยกมือสีมีไหมมันห่างออกมาห่างออกมาใครรู้สึกบ้างว่าใจเราจมอยู่กับอารมณ์น้อยลงนะนั่นอนะ่ะคือความเข้าหน้าของเรานะมันเป็นการวัดใจตัวเอง ไม่ต้องให้ใครมาวัดให้เราเราวัดได้ด้วยตัวเองจิตเราไม่จมลงไปในอารมณ์จิตเราไม่แช่อยู่ในความทุกข์จิตเราไม่ไปแช่อยู่ในความเศร้าโศก ค, ค่อยๆฝึกไปแล้วเราจะเห็นว่าโลกนี้ค่อยๆห่างออกไปห่างออกไปห่างออกไปในสุดจิตที่มีกำลังกล้าจริงๆถอนตัวออกจากโลกเลยเขาเรียกว่าโลกุตระโลกุต ร, ะ, ระว่าอยู่เหนือโลกนะเพราะว่าเหนือโลก ถ้ายัางอยู่กับโลกก็ไดเป็นโลคิยะอยู่เนี่ยเราค่อยภาวนาตามที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนี่ยเราจะรู้สึกจิตเราห่างโลกออกมาด้วยๆแต่ไม่ใช่ถอดจิตออกไปจากโลกนะไอนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเราห่างโลกออกมาเพราะจิตมันมีปัญญาเห็นความจริงของโลกว่าหาสาระแก่นสารไม่ได้จิตมันถอนตัวออกมามันถอนของมันเองใครรู้สึกว่าความทุกสั้นลงบ้างรู้สึกไหม ใครรู้สึกว่าความทุกเบาลงบ้างรู้สึกไหมภาวนาไปแล้วเราจะเห็นนะคำสอนของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์นะเคยทุกมากก็เหลือทุกน้อยเคยทุกนานก็เหลือทุกสั้นนะถึงจุดที่ใจหลุดออกจากโลกก็ไม่ทุกข์กับโลกอีกต่อไปเนะี่ยค่อยๆฝึกไปเราจะเห็นพัฒนาการของตัวเองนะจะค่อยๆดีขึ้น แต่ประมาณสามเดือนนะสามเดือนหเดือนหนึ่งปีนะลองนึกย้อนดูว่าเราได้อะไรมาบ้างเราจะเห็นพัฒนาการของตัวเองอย่าดูรายวันนะพอเช้าสงบบ่ายฟุ้งซ่านอะไรย่เงี้ยดูแล้วจะสับสนเพราะธรรมชาติของจิตไม่คงที่หรอกเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายตลอดวันแต่พอภาพรวมเนี่ยเาจะเห็นภาพรวมแล้วมันจะมีพลัง ม, มีความดีงามเกิดขึ้น อย่างถ้าภาวนามาช่วงหนึ่งนะจิตมันทรงพลังเด่นดวงขึ้นมาเลยเนะยทรงสติสมาธิปัญญาเด่นดวงนะแล้วเวลาดูนะถ้าเราดูเป็นนะแล้วรู้เลยว่าเนี่ยขาดอีกไม่มากหรอกนะจิตก็จะเข้าใจธรรมะได้แล้วถ้าจิตป้อแปะละทดละทวยอ่อนแอคล่ำครวอยังอห่างไกล งั้นนิสัย ค, คร่ําครวนก็อย่าใช้นะโอดควรวนลำพึงลำพันทโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นเลยเนะนี่ยนิสัยไม่ดนะีต่อไปนี้ไม่โทษอะไรทนะั้งสิ้นดูเข้าไป็นี่จิตตัวเองเลยเกิดอะไรขึ้นไม่โทษคนอื่นหรอกดูตัวเองนะแล้วเราจะมีพัฒนาการที่เห็นได้ด้วยตัวของเราเองพอไหวไหมนะต้องฝึกนะจริงๆแล้วไม่ยากเพระหลวงปู่ ด, ดูลบอกไว้แล้ว การปฏิบัตินี่ไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัตินะมันเจอหลวงพ่อมาฟังอีกก็งงอีกนะวันนี้ฟังแล้วงงไม่เป็นไรหลวงพ่อฟังหลวงปู่ ด, ดุลทีแรกก็งงเหมือนกันนะนะเรานึกว่าเข้าใจกลายเป็นเข้าใจคนละเรื่องนะสุดท้ายก็ภาวนาไปเรื่อยๆมก็เข้าใจสุดท้ายหลวงปู่ก็บอกนะหลวงพ่อภาวนาอยู่เจ็ดเดือนหลวงปู่บอกว่าเข้าใจแล้วละ่นะท่านใช้คําว่า ถึงพระรตะนัดใจแล้วพึ่งตนเองได้ละวนันบอกงี้นี่พวกเราก็ไม่ได้งูกว่าหลวงพ่อนะพวกเราไม่ได้งูกว่าหลวงพ่อแต่ละคนบางคนฉลาดกว่าหลวงพ่ออีก <c oughs> ลองพ่อตอนเรียนนังสือได้คะแนนไม่มากหรอกยิ่งตอนเรียนสมัยนั้นเป็นหมอสห้าเราเรียนนี่ยเราเราเก่งบางวิชาเรารู้ว่าเราเก่งอะไรรู้ว่าไม่เก่งอะไรแต่เรียนไปนงั้นเรารู้ว่าผ่าน ชี้เกียร์ย้ายโรงเรียนนะแต่ไปสอบเข้าม า, ายอะไรคะแนนนําเข้ามาดิวเลยนะคะแนนสูงมากๆเลยเพราะเราเลือกเรารู้จักตัวเองว่าควรจะเรียนอะไรเราเรียนแล้วเราชอบเยี่งแล้วเราชอบเราก็เก่งเพอได้เขียรนิยมได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราชอบเมื่อภาวนาก็เหมือนกันหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งแต่หลวงพ่อเป็นคนทนการภาวนาเนี่ยต้องทนนะ เก่งไม่เท่าไรหรอกคนเก่งแล้วมันฉาบช่วยแต่คนที่อดทนเนี่ยขั้นแรกเลยทนต่อการสั่งสอนของครูบาอาจารย์อย่างเราทนครูบาอาจารย์สอนฟังไม่รู้เรื่อ ง, ไ ม, องไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรทุกวันนี้มียูทูบให้ฟังมีซีดีให้ฟังฟังอีกวันนี้ไม่รู้เรื่องฟังมันครั้งที่สองครั้งที่สนะิบครั้งที่ยี่สิบมันต้องรู้เรื่องเข้าสวรรค์อนะ่ะมันคงไม่โง่งเป็นกรรมพันหรอก คงไม่ขนาดนนอ้องเพราะพวกเราหน้าตาฉลาดถ้าไม่ฉลาดไม่สนใจธรรมะจำไว้นะถ้าคนไม่ฉลาดคนไม่มีบุญนะไม่สนใจธรรมะคนในโลกมีทั้งเจ็ดปดพันล้านสนใจธรรมะมีสักกี่คนคนที่สนใจธรรมะแล้วมีโอกาสได้ฟังธรรมมีสักกี่คนงั้นพวกเราถือว่าเป็นคนกลุ่มน้อยที่มีบุญนะไม่ใช่คนชั่วร้ายอะไรงั้นช่วยโอกาสมารเรียนรู้ตัวเองให้มากๆเข้าไว ขยันดูอย่าขี้เกียจอดทนดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกมันต้องทนมากๆในการที่จะดูกายดูใจนะไม่ว่าจะดูกายหรือดูใจก็ต้องทนเพราะอะไรมันเหมือนเราอ่านหนังสือเล่มเดียวอ่านหนังสือหน้าเดียวซ้ำอยู่อย่างนั้นตลอดปีทำได้ไหมมีหนังสืออยู่หน้าหนึ่งอ่านมาหน้าเดียวนี้ยตลอดปนะีสิ่งที่เราอ่านเช่น จิตมีราคารู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะจิตหลงไปรู้ว่าจิตหลงจิตรู้ตัวรู้ว่าจิตรู้ตัวจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตโหดหู่รู้ว่าจิตหดถู่เนี่ยตัวอย่างนี้ทั้งปีย่ต้องทนไหมถ้าคนไม่ทนนะเดี๋ยวผก็ไปดูหนังฟังเพลงอะไรเงั้นไปไปเล่นเฟซเล่นไลน์คุยกับเพื่อนเลยไปไม่ยอมดูต่อ ตัวนี้ต้องทนให้มากดูให้มากพนะ ร, ระุลีกตาทําให้มากดูให้มากแล้วไม่นานเราก็จะเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกสภาวะทั้งหลายทั้งปวงเป็นของชั่วคราวสภาวะทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากเหตุนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เนี่ยพอเห็นอย่างนี้นะใจก็ค่อยๆ ค, ค, คลายออกจากโลกโดยเฉพาะวันที่เราเห็นว่ากระทันจิต ก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเราจะขึ้นสู่โลกุตตะละําพังเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยปุถุชนยังเห็นได้นําพังเห็นว่าเบญนาไม่ใช่เราปุถุชนก็เห็นได้นําพังเห็นว่ากุศลอกุศลไม่ใช่เราปุถุชนก็เห็นได้แต่ผู้ที่เห็นได้ว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยมีแต่สาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้สึกัหมในนี้มีเราคนหนึ่ง ไปดูได้ได้จริงไหมตัวนี้เที่ยงหรือเปล่าดูนะเดี๋ยวก็รู้ตัวเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็สศดเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังนะมีแต่ความเกินดับมีแต่ความไม่เที่ยงเฝ้ารู้เฝ้าดูไปจิตนี้เราสั่งได้ไหมจงมีแต่ความสุขก็สั่งไม่ได้จงอย่ามีความทุกข์ก็สั่งไม่ได้นี่มเป็นอนัตตา นี่ยดูความจริงอย่างเงี้ยดูไปเรื่อยๆไม่ใช่คิดเอาน่นะดูจนกระทั่งใจเนี่ยยอมจำนวนกับข้อเท็จจริงถ้าใจยอมจำนวนกับข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยไม่นานอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นะอริยมรรคมีจริงๆนะไม่ใช่อุดมคติยูโทเปียอะไรที่มาหลอกเด็กอริยผลมีจริงๆนิพพานมีจริงๆรนะิพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่านิพพานมีจริงแต่ไม่มีทางไปสู่นิพพานถ้าอย่างนั้นใช้ไม่ได้ คำสอนของพระพุทธเจ้าสมบูรณ์ธรรนิพพานมีจริงๆนะเป็นที่ดับสนิทแห่งทุกข์มีอยู่วิธีปฏิบัติเพื่อไปตื่นพานิพพานก็มีจริงแล้วท่านสอนไปแล้วในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเรื่องของมรรคมีลงแปดเงินตั้งออกตั้งใจถือศีลให้ดีศีลดังพร้อยก็ตั้งใจรักษาเอาใหม่ทุกวันฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่คือสมาธิเสร็จแล้วก็เดินปัญญา ดูจิตมันทำงานได้ก็ดูจิตไปเลยดูจิตไม่ได้ดูกายถ้าทำอะไรไม่ได้กลับมาทำสมถะใหม่เนี่ยวนอยู่นี่เลื่อยๆไปนะหวังว่าเดือนหน้าพวกเราจะเห็นพัฒนาการของตัวเองนะให้หลวงพ่อชี้ไหมว่าใครมีพัฒนาการนะนะเลยตกใจเลยพัฒนาการหายเลยเนะมื่อกี้มีเข้าตา เข้าตากรรมการหันไปพอดีจิตกำลังถูกต้องเบิกบานรู้ตื่นฝนะึกเอานะฝึกเอาวันนี้หลวงพ่อขอแค่นี้นะหลวงพ่อไม่สบายถ้าเป็นขลวาสเนยก็ต้องพักละเมื่อวานหมอมาที่วัดนะมาตรวจแล้วหมอก็สั่งมวาว่าวันนี้ไม่ต้องเทศหรอก พอไม่เทศได้ไงคนเต็มวัดเลยงั้นหมอก็ต่อรองถ้างั้นเทศก็เทศน้อยๆบอกเอเทศน้อยๆก็ได้เทศไม่ถึงสิบโมงแค่เก้าโมงครึง่งกพรุ่งนี้ก็อย่าออกจากวัดเลยพรุ่งนี้ไม่ออกไม่ได้เป่ชอบสถานที่ไ้แล้วพวกเราก็ตั้งใจจะมาเรีย น, นทีก็ต้องทนเอาไม่เหมือนคารวาะเนาะ เจ็บป่วยอย่างทีเราก็พักผ่อนครั้างที่เจ็บป่วยก็ต้องมานะต้องทนเพราะว่าเห็นใจเห็นใจพวกเราคนอยากพ้นทุกข์อยากได้ยินธรรมะนะช่วยได้ก็ช่วยเต็มที่ทั้งที่ช่วยได้แต่จุดสําคัญคือเราต้องช่วยตัวเองเรียนแล้วต้องเอาไปทํานะแล้วเราจะได้ดได้ดีวันนี้หลวงพ่อขอแค่นี้ก่อนนะพวกเรามีความสุขมีความเจริญนะ